พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่28โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19ก ร, รกฎาคม2554มีชื่อเรื่องว่าเสียงมงคลมหามงคลเม่นไผคุยกระจหันวะ่ะมาแล้วมันผู้เฒ่าหูหนวก มันมีในท่านเนี่ถ้าบุดคนหูนหนวกนลน่น่อยเน่นอยตมเ น, นี่ยพ่อเนี่ยคนหูนหนวกเล่น่หน่อยค้นฉนุกคนออกไปไปไปเห็นเนี่ยพ่อมาจากท่างไก่พายบาดไอ้ลุงถู่นา่งมาพ่อมหาห อ, าอนหรอเน่ยพ่อเนี่ยพ่อจะไง ออเนี่ยพอเจ้าอาวาสเนี่นหูหนักเด้อเลยการบอวบอวต่างๆเนอสิบอวต่างๆังไรเนี่ยังคอยคนยังคอยแต่ยิ้นอะไรเนี่าแล้วก็ขึ้นมอบพอเนเ่ยพอเจ้าอาวาสอีกคนไปลงพอลงพออนี่ยลงพอแขกพึ่งมาหอดยหูหูหูหนวกเดบอวต่างๆาแล้วเลยาอะไรนี่หน่อยก็ค่อยฟังแล้วบานนีพอเนี่พอขึ้นหอด พ่อมาหอดไอเจ้ า, าวัดกระทักแลวนะมาแต่สายนี่พ่อเนีพ่อเนี่พอนีมาใหม่ก็คิดว่าเน้นห่อยบอกแล้วเจ้ า, าวัดหัหวหลวงก่อ น, นไปผมมาแต่พูนแต่พีแล้วก็ไปมาห้องใส่กันว น, นไปโซ่จิจ๋้จักในโอ้มันถูกถือต้มแน่นหน่อยนออนไป โซจูจักได้มันถึอต้มนีน่อยน่หน่อ ย, ย, อย ต, มมต้มเหมนต้มเ่ยพอสองเนี่ยพอเอีอยพวกเงาะเราว่างให้ดีก็แล้วกันเสือบุคคลที่สามเราว่างให้ดีว่านะไปนื่หน่อยแต่ก้อนมันค่อยต้มักไปแห้งไห้ต้มเยี่ยพอนี่ให้กันนี่หมู่ว่านเหมือนก้อนหลวงพ่อเด็กนั่นอะเบิงบ่งเบิ่งไหมปิดไตพิดบก ในพัตไตพิโรกมีนิทานอีกเรื่องหนึง่งคือกันได้แม่เถาหูหนวกวนะน้แม่เถาหูหนวกมาเยี่ยมลูกสาวก็เลยถามลูกสาวแบบเป็นในโลกลูกเขยดีอยู่ตัวผัวอีน้าไงดีอยู่ตัวแต่ทางลูกสาวก็าโบอกโอ้ดีพออแม่แต่เนี่ยเป็นคนรับผิชอบมันขยันทำมาคค้าขายบ่เทียวบ่เล่น ถ้าจะเปรียบเทียบกับคนทั่วไปเขาเป็นคนดีที่เดียวได้นิสัยดีมากยพอแฟงของของหนูก็จะอนไงแต่เขาก็ไปวัดนะเขาไปวัดไปกราบพระพุทธเจ้ายู่ตลอดเวลาไปอยู่ตลอดไปไปอยู่กับพระอะไรแย่หูหนวกเลยพัดในยิ่นว่าลูกเขยจะบวชไปบวชเป็นพระเาไปวัดเนี่ยในยินแต่ข้าไท่ายเราไป ก็เลยบอกว่าคนทั้งหลายฟังโอ้เป็นยังเจ้ายังจะให้ผัวไปบวชเป็นพระเราอาจารย์นี่ยเนีเป็นเป็หนยังไปให้ใไรเขาไปบวชเป็นพระอาจารย์นี่มันบ่ดีจังไหนผมว่าเนี่บบ่ได้บานนี่คนอยู่ใกล้ๆแถวนั้ น, นบัดนี้ยินอีกบ้านเนี่ยไหว้ยา่นี่ยโยไหว้อยังก่าว่ า, ว า, เ, ข า, าเขาก็เลยมาถามพูน ผ, ผู้แฟน ผู้ลุกเขยนะโอ้ในที่นว่าทั้งบ้านเจ้าว่าเจ้าสิมาบวชเดียวสันแนเจ้าสิบวชอิริฏฐิสันแนในทีินเขาบอกกันอยู่คนนะอยู่บ้านค น, นทางลูก เ, ยเขยในของหอยอันนี้เป็นเสียงม้งค้นมาหาม้งข้นตัวจงเขาจะให้บวชสันเขาให้บวชก็บวชเรแล้วสันได้ป่ะคงอยากบวชยัวสันแนเอาไปมากเลยไปกราบพรพระสงฆ์กั บ, กรบพระพุทธเจ้า ปว่าขอบวชกันนั่นเองแหละเป็นเสียงเสียงเป็นมงคลกันเลยเสียงเป็นมงคลเขายุให้ไปทางดีต้องไปทางดีเลยจะไปหากลับไปทางซว ย, ยอย่างกลับไปอย่งว่าอย่างข้องคาราบัดขอบวชกันเ่ยเอาไปก็มากก็เลยมาบวชปนม่อุปนิสัยอยู่แล้วนะพอบวชปนก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์พระสงฆ์ก็ได้สนทนาปาลบกันมาเลยบอกเนอะนี่แหละ พระองค์เนี่เป็นฆราวาสก็เป็นคนดีพอต่อมาได้ยินเสียงที่เป็นมงคลวาสแม่ยายว่าจะให้บวชว่าไปวัดหรืคงจะไปบวชก็เลยบวชเลยขอบวชเลยอะไรเพราะบวชขามากเนี่ยบำเพ็ญทั้งจิตแต่เพราะน้าจนได้สําเร็จเป็นพระอรหรนันต์เป็นบุคคลพระเป็นพระที่นายกย่องนับถืออย่างมากพระองค์นี่อะไร นี่หละอันนี้คือคนหูหนวกขึ้นกันหนลวงพ่อหูหนวกก็มีประโยชน์ขึ้นกันเนีเอ่อยงูยงย้งให้คนได้ำจำได้เป็นพลังหันได้เ <c oughs> อาลับพรนะ้ำมันไอบบน้บ่าวไหลลงมาบ่าวไหลมาหลายมือละ่ะเดี๋ยวคูบาลจะจมในใจพอแห้งเลยคู่บาลหน่อยคูบาลนมหลวงพ่อนี่ยบอกย่าเดี๋ยวบริษัทฉันเข่างน้ำมันอ้บ่าวเนี่ยหน่อยมาหลับพรนะอนุโมทนาให้พร